เป็นอันว่าเราก็รักษาอิสรภาพไว้ได้เราสามารถพูดได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ถ้าพูดหรือคิดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ายังมีอิสรภาพต่อมาเราเก่งขึ้นไปอีกก็จะมองเห็นและรู้สึกว่าสิ่งบำรุงบำเรอฟุ่มเ ฟ, มฟยหรูหราเหล่านั้นเกะกะเกินจำเป็นถึงตอนนี้เราจะพูดว่า